อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที 2, ่สองพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน12นะค ะ, ะปีมะเมียค่ะก็ในช่วงสัปดาห์นี้ในวันพระอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะพอพูดถึงเดือน12นี้ที่ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงวันลอยกระทงละ น้ำนองตลิงนะคะแต่ก็คงจะไม่ได้เกี่ยวกับรายการธรรมะของเราหรอกก็เพียงแต่พูดถึงว่าโอเคเดือนนี้เป็นเดือนที่คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะมีความสุขกับการที่จะสืบสารประเพณีไทยเราต่อไปนะคะพบกันในรายการธรรมะรบปรรุลก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุนโน พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหาโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะนำมากราบนวักการณ์พระอาจารย์แล้วก็มาฉากระชาหรือว่าพูดคุยประเด็นธรรมะที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันดีกว่านะคะกราบน้อมสักการณเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเจียมานสาธุเจ้าค่ะ เช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ทราบพระอาจารย์จะหยิบยกประเด็นใดมาสากั์ฉาดีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็มีประเด็นที่อยากจะนํามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเมื่ อ, อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดนนได้มีโอกาสไปบรรยายที่บริษัทปตทสอพอ ค, คือปตทตำรวจและผลิตเกี่ยวกับเรื่องกา ร, รใช่เกี่ยวกับเรื่องการจัดทํางบประมาณแล้วก็ตรงนั้นก็เนื่องจากว่าเนื้อที่มีจํากัด แล้วก็เป็นในบริษัทเขาบางทีคนนอกอาจจะเข้าไปฟังได้ลําบากแล้วก็เลยจะนําเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ ว, ว่าวิธีการที่เราจะแบ่งจ่ายทรัพย์ของเราเราทุกควรจะทําอย่างไรคือแน่นอนว่าการพูดทางเสียงมันก็จะจะเป็นแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเจอหน้าคุยการมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็เลยจะนําข้อมูลตรงนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังทราบในส่วนที่คิดว่าน่าจะ เป็นประโยชน์กันดีเจ้าค่ะเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์นะเจ้าคะใช่ใชเพราะว่าในทางคารวะเนี่ยคนที่ครองเรือนเนี่ยแน่นอนต้องยินดีในทองและเงินเจ้าค่ะแต่มีความสุขในการที่จะมีทองมีเงินในการที่จะเสพกรารความสุขต่างๆาทางหูอันนี้ก็ธรรมดาแต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นนักบวชเนี่นก็ต้องเอาเรล่าหน่อยลดหน่อยถ้าเป็นนักบวชประเภทศีลสิบขึ้นไปอันนี้เงินทองคุณต้องอย่ารับเลยรับไม่ได้ รับก็ไม่ได้ให้รับก็ไม่ได้รับมันแล้วจะซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ด้วยนะอย่างไรก็ตามแล้วสมมติคนที่ยังทําได้อยู่อย่างผู้ที่ยังครองเรือนนะหรือ ย, ยังยินดีในทองและเงินอยู่เนี่ยควรจะมีการใช้ใจ่ายอย่างไรแบ่งจ่ายอย่างไรถึงจะเหมาะสมจค่ะเนี่ต้องการจะเอาข้อมูลตรงนี้มามาพูดคุยกั น, อ, นอันดับแรกก่อนว่าเออเกิดมาโตมาเนี่ยเราก็ไม่มีเงินทองถูกไหมมาจากท้องแม่อุแวะอแวะเนี่ย ก็มีไม่ได้มีอะไรติดตัวมาด้วยเราก็มีแต่ของที่พ่อแม่ให้ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องอาศัยพ่อแม่ให้อันนี้คือทางมาที่1นึั่นคือพ่อแม่ก็เอาทรัพย์ให้ลูกเนี่มอบมรดกให้ตามเวลา น, นี้เป็นหน้าที่ของบรรดาพิดาอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่ถ้าสมมุติคนที่ไม่มีมรดกล่ะเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมีก็แค่ทรัพย์สินเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยนเราจะหาทรัพย์เหล่านั้นมาได้อย่างไร แตนะวิธีการที่เราจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันดีได้ทางมาของทรัพย์ก็ต้องดีดีก่อนนะทางเข้าเนี่ยต้องดีก่อนนะเพราะว่าถ้าทางเข้าไม่ดีนะการแบ่งจ่ายทรัพย์มันจะไม่สามารถทําให้ดีได้นะมันต้องทั้งน้ําดีเข้าแ ล, แล้วก็แบ่งให้ดีมันก็จะเป็นน้ํำดีออกไปนะทีนี้ถ้าบอกว่าเราได้ทรัพย์มาโดยวิธีที่โกงโดยวิธีที่ทําไม่ถูกโดยที่วิธีที่ผิดศีลธรรมอันนี้ต้องปรับปรับแก่ชีวิตของเรา อา้าวไม่โกไม่หาเลี้ยงชีพโดยวิธีที่เป็นมิจฉาชีพนะแต่ว่าทําสัมมาอาชีวะแต่วิธีการที่พระพุทธเจ้าแ น, นนะนํำก็คืออาชีพต่างๆเลยคุณต้นใจไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตรนะการทําการประสุศาส์เลี้ยงวัวควายเนี่ยนะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนอหรือว่าเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นอาชีพศิลปะอย่างไดอย่างหนึ่งแต่ที่แน่นอนไม่ใช่เป็นมิจฉอาชีวะ คือบางคนอาจจะประกอบอาชีพพวกนี้อยู่แต่แต่ว่ามีการโกหกมีการพูดหลอกลวงมีการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องนอมตกลงมีการล่อล่าด้วยรา บ, าบอาชีพพวกนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาชีวะ <Okay. S 1> ไม่ถือว่าเป็นสมาชีวะไม่ถือว่าเป็นศิลปะที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไม่ได้มีการโกหกไม่ได้มีการพูด ล, อดล่อล่าแไม่ได้มีการเอาของค่าน้อยต่อของมีค่ามากแล้วทาอาชีพใดอาชีพหนึ่งได้เงินมาได้เงินมานะการที่ได้เงินมาตรงเนี้ ก็เรียกว่าเป็นโพกศัพท์ที่ได้มาโดยทําอันนี้คือประเด็นที่1นึ่งนะโพท์ของคุณต้องเป็นโภกศัพท์ที่ได้มาโดยทําแต่แล้วถ้าจะให้มันดีขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นการจัดทําอย่างดีแต่นะจะทําเองก็ได้จัดให้กระทําก็ได้แต่นะมีความขวนขวายในกิจการงานหน้าที่ตรงนั้นนะแต่เราก็มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อรวบรวมมาด้วยกําลังแขนนะเป็นโภคศัพท์ที่ได้มาโดยทําแต่ก็คือต้องมีการออกแรงละ่ะบางคนอาจจะคิดว่า เออฉันนั่งห้องแอร์ทํางานคอมพิวเตอร์เนะี่ยไม่ได้เหงืง่อแตกไม่ได้อะไรแต่จริงๆไม่เลยตอนที่คุณเดินออกไปกินข้าวกลางวันบางทีก็เหงื่อแตกเหมือนกันนั่นะนะก็เพราะว่างานเป็นผลของงานที่ต้องทําไม่ใช่เหรอเนะก็เป็นลักษณะนั้นเนะีซึ่งต้องมีการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องก่อนนี่คือประเด็นที่1พอได้เงินมาแล้วเนะี่ยได้เงินมาแล้ววิธีการที่เราจะแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หน้าที่้วยกันเนะี่ยจะแบ่งได้ต้องเป็นแบ่งเป็น4ส่วน ในแบบเป็นสี่สเจ้าคะส่วนแรกนั้นคือการใช้จ่ายเพื่อที่จะทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องนีใช้จ่ายในการทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องเรามีหน้าที่อะไรบ้างนีคือหนึ่งต้องเลี้ยงตัวเองนี่สองถ้าคุณมีมาดาบิดาคุณต้องเลี้ยงมาดาปิดาด้วยนี่สาถ้าคุณมีบุตรภริยาคุณต้องเลี้ยงบุตรภริยาด้วยแนี่ถ้าคุณมีทาสกรรมกรลูกน้องลูกนุ่งคุณก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยนีคือเลี้ยงให้มันถูกต้องและให้มันมีความสมบูรณ์ให้มีความอิ่มหนำนี่คือส่วนที่หนึ่ง นี่คือส่วนที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึง4ส่วนก่อนนะแล้วถึงจะค่อยมาลงในรายละเอียดของแต่ละอันได้เจ้าค่ะส่วนที่สองต้องรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์ตรงเนี้เพื่อที่จะป้องกันทรัพย์ที่เหลือเี่ยเพื่อที่จะป้องกันทรัพย์ที่เหลือภัยที่เกิดจะเกิดจากพระราชาภัยที่จะเกิดจากไฟเกิดจากน้ําเกิดจากโจรเกิดจากทายาทที่ไม่เป็นที่พอใจอันนี้คือส่วนที่สองแล้วพูดง่ายๆอาจจะแบ่งเก็บไว้เพื่อ ในวันฝนตกในอนาคตเผื่อไว้ในยามอนาคตเผื่อจะเป็นต้องใช้ในข้อที่สองข้อที่สข้อที่3ามข้อที่4เนี่ยเป็นลักษณะการที่จะต้องให้ให้ไปให้เปล่าแตข้อที่3มเนี่ยคือให้ในลักษณะที่ว่าให้เปล่าโดยที่ไม่หวังคืนแต่เป็นการช่วยชาติบ้างบริจาคมูลิตินั้นมูลิตินี้หรือว่าช่วยสังคมหรือบางทีญาติเราต้องการความช่วยเหลือเราก็เอาเงินตรงส่วนที่3เนี่ยให้เจ้าค่ะหรือโดยที่ไม่หวังคืน ในที่ไม่หวังคืนแล้วก็ส่วนที่4ี่นี่คือให้เพื่อหวังเอาบุญในส่วนที่สามนี่คือให้หวังช่วยเฉยหวังเพื่อช่วยเหลือคนอื่นสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาช่วยญาติพี่น้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคใช่ตรงนี้คือส่วนที่3ใช่ในส่วนที่4ี่นี่คือให้เพื่อหวังบุญเพื่อที่จะเอาบุญแหละตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะให้หวังบุญก็ต้องให้ในเนื้อนาบุญภิกษุหรือว่าคนที่เป็นเนื้อนาบุญที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เราให้ตรงนี้มีลักษณะเป็นการ จากคาเป็นการให้ทานตรงนี้เพื่อหวังบุญนี่คือส่วนที่4เจ้าค่ะไหนะลงลงรายละเอียดกันนิดหนึ่งไหนะส่วนที่1ที่บอกว่าจะต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่ต่างๆไหนะถ้าเราดูในหน้าที่เนี่ยก็คือหน้าที่เรื่องของทิศทั้ง6กนั่นเองลหนนะคนเราเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็มีมารดาบิดาลูกใช่ไหมเจ้าค่ะยังรวมถึงเพื่อนฝูงยังรวมถึงครูอาจารย์ยังรวมถึง บุตรภรยาผู้บังคับบัญช า, ชาลูกพี่ลูกน้องพวกนี้ทั้งหมดเนะี่ยตรงนี้คือทรัพย์ส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่หนึ่งคือถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเองเรามีลูกน้องเราก็ต้องดูแลแบ่งจ่ายให้เขาให้ถูกต้องถ้าเราเป็นลูกเรามีพ่อแม่คุณจะต้องดูแลให้ดีท ร, รัพยที่พระเจ้าใช้ตรงนี้ก็คือว่าในการเลี้ยงดูนะีบุคคลเหล่านั้นให้อิ่มหนำนําบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนในการเลี้ยงมานาบิดาเลี้ยงบุตรภรยา เลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตน <ICO> ให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี่คือแนวทางเป็นไกด์ไลน์ที่พระพุทธเจ้าให้คาว่าให้อิ่มหนำเนี่ยให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องแต่คําว่าถูกต้องตัวนี้มีความหมายลึกซึ้งนะคนุณเดนใจว่าถูกต้องเนี่ยมันถูกยังไงถึงจะถูกแต่ถูกยังไงถึงจะถูกเช่นบางอย่างควรซื้อบางอย่างไม่ควรซื้อบางอย่างที่ควรใช้บางอย่างก็ไม่ควรใช้แต่ความถูกต้องมันมีไม่เท่ากัน แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเงินมากมายมหาศาลไอ้ความที่ควรที่ถูกต้องมันก็ต่างกับคนที่มีเงินน้อยเข้าใจไหมสมมติโทรศัพท์ที่มันเป็นระบบที่มันไม่มีปุ่มอะ ข, ขาพูดอะไรสมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณแใจ <Okay. S 2> แต่ถ้าคนที่มีเงินน้อยก็ไม่ควรใช้ถ้าคนที่มีเงินมากจะใช้ดีๆหน่อยก็ไม่มีปัญหา <Okay. S 2> แล้วมันก็ควรคนแต่ละคนถูกต้องแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคําว่าถูกต้องควรนะก็ต้องอยู่ที่ว่าไรายได้ก็มีส่วน แตนะคุณมีไรายได้มากหรือคุณมีไรายได้น้อย น, ะนี้ถูกต้องอยู่บริหารให้เป็นสุขเนี่ยหมายความมาก็อยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆมันมีอะไรบ้างบางคนผ่อนบ้านอยู่บางคนผ่อนรถอยู่บางคนบ้านผ่อ น, ห ม, นหมดแล้วบางคนรถผ่อนหมดแล้วตรงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็คงจะต้องพิจารณาแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพิจรารณานะว่าการเลี้ยงตนให้เป็นสุกให้อิม่ม้ําบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเนี่ยมันมีความหมายลึกนะเราต้องบริหารให้ดีอันนี้คือข้อที่1ก่อนเลยต้องทําตรงนี้ก่อนเลย กันต้องทำตรงนี้ก่อนนี่คือเงินส่วนที่1ที่คุณต้องแบ่งเอาไว้ที่เงินส่วนที่สองจะลงมาในรายละเอียดที่บรพรุชจาบอกว่าใช้ในการปิดกั้นอันตรายทําตนให้สวัสดีจากภัยต่างๆเช่นภัยจากไฟภัยจากน้ําภัยจากพระราชายกตัวอย่างเช่นว่าเราได้เงินมาเราต้องจ่ายภาษีนะถ้าคุณไม่จ่ายภาษีเนี่ยคุณจะมีภัยจากพระราชาได้ก็คือเดี๋ยวกรมสรรพากรเขาก็ส่งจดหมายมาละ <c oughs> คุณต้อง <c oughs> จ่ายภาษีย้อนหลังอ้าวแสดงว่าไม่รู้จักรักษาทรัพย์เงินที่ไม่ควรเสียก็ต้องมาเสียอันนี้คือส่วนที่หนึ่ภัาายจากโจรบางทีเราก็ต้องจ่ายค่ายามเพื่อที่จะดูแลถ้าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะก็จะต้องมีเก็บค่ายามค่าอะไรก็ต้องจ่ายไปนะอันนี้ยังมีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะคุณเดินใจว่าบางทีเราต้องเปลี่ยนรู้จักเปลี่ยนทรัพย์ของเราให้อยู่ในรูปอื่นๆนเช่นถ้าเป็นเงินสดเป็นทองคาโจกรกโมยได้ แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนขโมยได้ยากขึ้นอืบุกบ้านที่ดินอะไรพวกนี้นะคะอาจจะขโมยได้อยู่เขาไปขโมยอยู่สักสิบปีแล้วก็ไปฟ้องศาลเราใช่ไหมแต่แต่มันก็ยังยากอยู่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทรัพแล้วไฟจากน้ำไฟจากไฟก็คล้ายๆกัน เป็นพวกภัยธรรมชาติไหมเจ้าคะใช่ใตัวหมายถึงตรงนี้ก็คือตัวมันเองจริงๆด้วยก็ส่วนหนึ่งแนะบางทีเราต้องมีการคุ้มครองป้องกันตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือบางทีก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบทรัพย์ให้อยู่ในการที่มันจะไม่เสียมูลค่าไปเจ้า่ะเช่นบางทีกระแสเงินแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามมันตกใช่ไหมแต่ว่าทองคําหรือว่าน้ํามันพวกนี้ไม่ตกนะเราก็ต้องเปลี่ยนเงินสดให้เป็นรูปที่อยู่ในอันอื่น <Okay. S 2> นะเปลี่ยนเป็นข้าวสารบ้างอะไรที่มันจะ เ, เลี้ยงตัวเลิ้งอะไรได้คือเปลี่ยนมูลค่าไป <Okay. S 2> นะให้มันอยู่ในลักษณะที่มันจะไม่หายไปมัน <Okay. S 2> จะไม่สูญมูลค่าไไมันไป น, น, นะบางทันะ <Okay. S 2> อะไรที่มันไม่ควรเสียมันก็ไม่ควรเสียถ้าเรารู้จักเปลี่ยนให้มันถูกอันนี้คือส่วนที่สองเนี่ยพูดง่ายๆก็คือรวมถึงการป้องกันด้วยรวมถึงการที่ต้องรู้จักลงทุนด้วยก็คือเปลี่ยนรูปแบบทรัพย์ของเราด้วยอันนี้คือข้อที่สอง ข้อที่สองมันมีตรงนี้ด้วยที่ผู้เชาพูดถึงว่ารู้จักในการที่จะป้องกันภัยจากทายาทที่ไม่เป็นที่พอใจ่คือบางทีลูกของเราเองอ่ะเนี่ยเป็นลูกแกะดํามาเกิดโอ้ยล้างปล่าน้ัซับสุดๆเราก็ต้องรู้จักใช้จ่ายอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นระบบกองทุนเพื่อที่จะเลี้ยงลูกในทางการเงินการธนาคารก็มีวิธีการทําอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ลูกใช้ก่อนเวลาที่กําหนดหรือว่าเบใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือว่าบางทีเราก็ต้องส่งเสียลูกไปในเรื่องการเรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมบ้างอันนี้ก็ต้องมีการใช้จ่ายทรัพย์ตรวนี้เพื่อป้องกันไปนี่คือส่วนที่2ในส่วนที่2รวมถึงเรื่องการลงทุนด้วยรวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องจําเป็นในการที่จะป้องกันทรัพย์อันนี้คือต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ส่วนที่2นี่คือเป็นขั้นตอนที่2เจ้าค่ะอ่านี่คือต้องกองที่2และกองที่3ามในกองที่3ามนั่นคือการที่ให้เพื่อที่จะสงเคราะห์ให้เพื่อที่จะช่วยเหลือ ในาการให้เพื่อที่สงเคราะห์ให้เพื่อที่จะช่วยเหลือเนี่ยอย่างเช่นในมูลนิธิบางอย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ได้หรือว่าบางทีญาติพี่น้องของเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ได้หรือบางทีเพื่อนฝูงของเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ได้หรือแม้แต่คนดีๆบางคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ได้อันนี้คือแบ่งแบ่งงบประมาณเอาไว้นนในส่วนที่สามตรงนี้ทําไมถึงมีความจำเป็นคนเดินใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีประสบปัญหาอย่างนี้ว่าญาติยืม เพืนะ่อญาติมายืมหรือว่าเพื่อนยืมอย่างเงี้ยค <Okay. S 2> เพื่อนยืมเงินญาติยืมเงินเนี่ยว่าจะมาพูดแต่ว่าอย่าไปหวังคืนอื <Okay. S 2> อย่าไปหวังคืนเขาบอกคือแน่นอนนะอีกอ า, อาทิตย์หน้าคืนเดือนหน้าคืนเดือนนี้ช็อตขอเอายืมไปก่อนอย่างเงี้ย <Okay. S 2> คือถ้าคืนก็ดีก็เป็นโบนัสของเราแต่ถ้าผมว่าไม่คืนเนี่ยเราก็อย่าไปเครียดแล้วถามว่าให้ได้เท่าไหร่ก็ให้ได้เท่าที่คุณแบ่งนี่แหละ แตนะ่ถ้าเราไม่ได้ ค, คิดไว้ก่อนไม่ได้แบ่งไว้ก่อนไม่ได้ทํางบประมาณไว้ก่อนเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะต้องให้ได้มากสุดเท่าไหร่อืมเจ้าะแล้วก็เท่านั้นแหละที่คุณให้ได้นะสมมติคุณมีเงินเดือนหนึ่งร้อยบาทในเงินหนึ่งร้อยบาทอาจจะแบ่งใจ่ายในข้อที่หนึ่งแล้วนะโอ้เจ็ดสิบาทในะข้อที่หนึ่งเจ็สบาทแล้วนะเจะ็ดสิบบาทว่าต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบ้าได้บิดาเลี้ยงครอบครัวต่างๆเจ็ดสิบบาทละสิบบาทเอาเก็บไว้นะเผื่อวันฝนตกในอนาคต เราต้องเก็บเอาไว้นี่คือส่วนที่สองแล้วก็เหลือแค่ยี่สิบาทเองอาจจะแบ่งไว้สักสิบาทสําหรับส่วนที่สามเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมีใครมาขอญาติขอเพื่อนขอแค่ได้แค่ตรงส่วนส่วนที่สามนี้สิบบาทเอ้าแล้วทาไมให้มากกว่านี้ไม่ได้ผมไม่มีแล้วหมดแล้วเอาทาไมหมดไปใช่ไหมก็ใช้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองแล้วข้อที่สี่ด้วยอเมแื่ข้อที่สามแค่นี้นคือเงินต้องหมดทุกเดือนต้องหมดกึ่งตนใจเงินทุกเดือนต้องหมด คุณมีเงินเท่าไหร่คุณต้องหมดหมดในสี่หน้าที่นี้นะถ้าไม่หมดในสีหน้าที่นี้ไม่ถูกถ้าหมดในสีหน้าที่นี้ถูกเนี่ยซึ่งแต่ละกองมันไม่เท่ากันไงบางคนอาจจะแบ่งกองที่สองเยอะเนี่ยไปลงทุนตรงนั้นลงทุนตรงนี้ก็คือเป็นเงินที่คุณได้เอาไปใช้ในหน้าที่ต่างๆตรงนั้นนเงินมันคนละหน้าที่กันน่ะเงินในหน้าที่ที่สามีเท่านี้เนีก็ใช้ในหน้าที่เท่านั้นมันจะไปเอาเงินหน้าที่อื่นมาใช้ไม่ได้จะถามว่าเรารู้ไหมว่ามันเท่าไหร่กันแน่ แต่ถ้าตัวเองไม่รู้ลใครจะรู้ตัวเองก็ต้องต้องรู้เพราะว่าตัวเองเป็นคนรับเงินมาเจ้าค่ะเดี๋ยวตรงนี้เป็นภาระของคนที่ต้องมีเงินนะมันต้องมีการมาคิดมีการวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเท่าไหร่แต่ตรงนี้คือส่วนที่สามบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้ตรงนี้นใช้คําว่าญาติปลีนั่นคือสงเคราะญาติเจ้าค่ะก็คือช่วยช่วยญาตินั่นเองถ้าญาติกอก็ให้ได้อิทธิพลีนั่นคือสงเคราะห์แขกแต่บางคนเพื่อนบ้านเราก็ช่วยได้ หรือว่าทรงเคราะห์ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็คือบางทีเราก็ทําบุญอุทิศให้ญาติเราอันนี้ข้อที่สมได้ในในส่วนที่3ามนะ น, นี่คืออยู่ในส่วนที่3มอยู่มันจะมีอยู่3าสี่ข้ออยู่คคแล้วก็ข้อที่4ี่ก็คือราชปรีก็คือช่วยชาติเช่นในบางทีชาติต้องการบางทีมูลนิธินี้ก็มาเรียลัยเอาเราให้ก็ได้ข้อที่สี่แล้วข้อที่5ในส่วนที่สามนี้ก็คือการเทวตาปลี เทวดาปรีี่ก็คือบูชาเทวดาแต่บูชาเทวดาบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เทวดาบนฟ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเทวดาบนฟ้าเนี่ยคุณเตือนใจเขาไม่ได้มากินอาหารของมนุษย์หรอกอืมเจ้ค่ะแต่วเขาก็มีอาหารของเขาละเอียดคนด้วยท่านมีอาหารทิพย์อยู่ใช่ดีกว่าของมนุษย์แล้วทาไมต้องไปบูชาัน้นตรงนี้อาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความหมายเบื้องลึกเอาไว้ว่าหมายถึงคนที่เมีใจแบบเทวดาก็ได้ <น>เราเคยดู <okay. S 1> อ่านเรื่องราวตามหนังสือพิมพ์หรือว่าดูตามทีวีอย่างเงี้ยโอหเด็กดีมากเลยกลับจากโรงเรียนมาที่บ้านคอยเลี้ยงแม่นะ่ยทั้งๆ ท, ที่อยู่ไกลกันเป็นหลายกิโลอย่างเงี้ยนะคอยอ่ขายของเพื่อที่จะเลี้ยงแม่โอ้โหนี่จิตใจเทวดาแม่ น, นี้เราช่วยได้เนี่ยคือตรงนี้คือส่วนที่ว่า<ช>เป็นเทวดาปลีเจ้าค่ะอ่าคือมนุษย์เรานี่แหละแต่มีจิตใจเป็นแบบเทวดาะเราเอาเงินตรงนี้ช่วยได้นะสงเคราะห์เขาได้นี่คือใ น, ใในส่วนที่สามอืมเจ้าค่ะ แล้วก็ในส่วนที่สี่เงินที่ต้องการต้องจ่ายในส่วนที่4ี่ต้องแบ่งเอาไว้นะั่นคือการที่จ่ายออกเพื่อให้เกิดบุญนะถามว่าส่วนที่สามได้บุญไหมได้อยูนะ่ก็ตามที่ผู้รับนะถ้าผู้รับมีคุณธรรมสูงคุณนกะ็จะได้บุญมากถ้าผู้รับมีคุณธรรมไม่สูงคุณก็จะได้บุญอยู่แต่ไม่ได้บุญไม่มากแต่แนมะ้แต่มันก็ต้องจําเป็นนะเพราะว่าญาตินะเพราะเพื่อนนะเราก็ใช้ส่วนที่สามที่มี5ข้อนี้เราก็ได้บุญอยู่ เ, นะเราก็ได้บุญอยู่แต่ว่าก็ ก็ตามที่ผู้รับอะ น, นะทีนี้ในส่วนที่4ี่เนี่ยคือให้เนี่ยเพื่อหวังบุญเต็มที่เลยเนี่ยเพื่อหวังบุญเลยบทเพียัญชนะที่พระบุทธาใช้ในที่นี้ก็คือว่าอุทิศใหนะ้กับสมณพราหมณนะ์ผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่หมัวเมาเนะตั้งอยู่ในขันติโสระจะฝึกทําความสงบเพื่อที่จะให้ถึงนิพพานการทําตรงนี้ให้ตรงนี้เนะี่ยจะมีผลเลิศในเบื้องบนมีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปเพื่อสวรรค์อันนี้คือ ส่วนที่สนะี่นที่ต้องมีนะที่ต้องมีก็คือเอาไว้ ท, ทำบุญโดยเฉพาะให้เกิดบุญใช่อันนีตนนะ้ต้องเกิดบุญจริงๆนะต้องเกิดบุญจริงๆเพราะนั้นก็อยู่ที่เนื้อนาบุญด้วยว่าเรามีศรัทธาในสมณพราหมณ์รูปไหนที่มีขันติโสระจานะเพียรปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงนิพพานานะตรงนี้ก็เกิดบุญถามว่าในสี่ส่วนตรงเนี้ยจำนวนเงินไม่เท่ากัน จำนนเงนไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้างอันนี้อยู่ที่เราตัดสินใจแต่ต้องหมดทุกเดือนต้องหมดนะทุกสัปดาห์คุณได้มารายสัปดาห์ต้องหมดแบ่งหน้าที่อย่างนีคนะ้คือถ้าเราแบ่งหน้าที่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะสบายใจนะมันจะไม่มีรูให้รั่วไปในการประนันไม่มีรูให้รั่วไปในเพื่อนชั่วไม่มีรูให้รั่วไปในเรสุราหรือว่าการเจ้าชู้นะรวมถึงเรื่องของ การไปเที่ยวกั้งขึ้นอะไรต่างๆจะไม่มีรูให้รั่วไปในตรงนั้นแต่เพราะราว่าเร า, าใช่ใช่คือถ้าสมมุติ<ช>ว่าเงินหมดไปนะไม่ได้ทำสี่อย่างนี้แล้วแถมรั่วไปในทางอบายามุกด้วยนะเงินก็ไม่ได้ใช้จ่ายอยู่อย่างถูกต้องได้บาปอีกทั้งหากค่นะพอได้บาปแล้วคุณจะหวังว่าคุณจะร่ํารวยขึ้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามั น, ม, นมันไม่ได้เป็นไปตามกระแสรกรรมละอ ทีนี้ถ้าผมว่าเราใช้่ายอย่างนี้บุญเราก็ได้เนื่องจากเรามีข้อที่สี่หน้าที่เราก็ไม่เสียหนึ่งสองเราก็ทำํำสามเราก็ยังช่วยคนอื่นในในส่วนที่สามตรงนี้ในส่วนที่สม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจิตใจเราจะสบายใจนะเพราะจิตใจมีความสบายใจแล้วอบายมุกไม่มีช่องให้ไปนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณเดินใจเหมือนกับว่ า, ามีบึงน้ําแห่งหนึ่งมีบึง <Okay. S 1> น้ําแห่งหนึ่งแนะเราก็มีทางออกของบึงน้ํานี้อยู่สี่ทาง มีทางออกอยู่สี่ทางนะเขาปิดทางออกนี้ไว้ปิดตาออกไปแล้วก็มีทางน้ําเข้าสี่ทางเหมือนกันนะทางน้ําเข้าสี่ทางแล้วก็เปิดทางน้ําเข้าไว้ด้วยทางน้ําเข้าทางที่น้ําเข้าเนี่ยเปิดเอาไว้ฝนตกลงมาด้วยฝนค่อยๆตกลงมาตกหนักตกเบาบ้างก็ตกมานะเบืน้ําในบึงนี้จะต้องเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นและเต็มขึ้นแน่นอนเชียค่ะอันนี้ก็เปรียบเทียบกับคนที่รู้จักที่จะอุดรูรั่ว นะในการที่จะไปเอาใยมุกต่างอุดไวนะ้รู้จักในการที่จะขนขวายหาทราพัพรู้จักคบเพื่อนดีรู้จักการใช้จ่ายอยู่อย่างสม่ําเสมอรู้จักการที่จะบริหารจัด ก, การเงินให้ดีนะใช้จ่ายให้ในครอบครัวกับพ่อแม่ตัวเองลูกปลายให้ดี ใ, ให้ถูกนี่คือข้อที่สามและข้อที่4ก็คือรู้จักในการที่จะปิดกั้นอันตรายต่างๆนะจากที่จากโจรจากพระราชาจากสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเปลี่ยนการลงทุนไปในรูปแบบอื่นๆ เนะี่ยรู้จ <c oughs> ักลงทุนนั่นเองสี่ตรงนี้คือสีทส่ทางน้ำเข้าสี่ทางน้ำเข้าแล้วก็สี่ทางน้ําออกตรงนั้นนั่นะก็คื อ, เ, อเพื่อนชั่วนะนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราแล้วก็นักเลงการพ น, นันเนี่ยย้ายมันไปออกทางนั้นฝ <c oughs> นที่ตกลงมาคุณทิจาร์นี้ก็สําคัญเนะีฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็คือกนะารที่เรามีบุญการที่เราสร้างบุญอยู่เรื่อยๆกนะารมีบุญการสร้างบุญนั้นมาจากตรงไหน แล้ก็มาจากอีก4อย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาคือการที่เรามีศรัทธานี่คือข้อที่1นศรัทธาในอะไรคือเป็นคนที่มีความมั่นใจเชื่อใจลงใจนในคําสอนของพระพุทธเจ้าคือในการตรัสรุปของพระพุทธเจ้าอันนี้คือข้อที่1นึข้อที่2คือเป็นคนที่มีศีลแต่เป็นคนที่มีศีลศีลหน้าเราธรรมดาที่แหละแต่รักษาศีลได้ดีนี่คือข้อที่2สองข้อที่สคือคนที่มีจาคึกการให้การบริจาค มีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการจำแนกแจกทานนี่คือข้อที่สามข้อที่สี่คือเป็นคนที่มีปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเรียนจบสูงสูงแต่หมายถึงปัญญาในการเห็นตามที่เป็นจริงแต่ปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามันมีเรื่องอะไรผิดหวังเราก็รู้จักปล่อยวางได้นี่คือข้อที่สี่จะเป็นปัญญาส่วนที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะเป็นความสุขที่จะนํา ่เป็นผลดีในเวลาต่อมาแต่เป็นผลบีในเวลาต่อมาคือหมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับ น, น้ําในบึงเนี่ยฝนค่อยๆตกฝนค่อยๆตกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มปุ๊บปั๊บเราจะเห็นได้ชัดเจนแต่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะค่อยๆเพิ่มมันจะค่อยๆเพิ่มอยู่นี่นี่คือเปรียบสเสมือน4อย่างที่เริ่มต้นโดยสัตธาสีนจากขะปัญญาแต่น้ําในบึงเนี่ยจะเพิ่มได้ชัดเจนก็คือจากทางน้ําเข้า4ี่ทางตรงนั้นแซึ่งทางน้ําเข้าสีทางตรงนี้คืออะไร แต่คือการที่เราใช้จ่ายทรัพย์ในการบริหารเลี้ยงตนเองให้อย่างดีคนในครอบครัวอย่างดีนี่คือทางที่1นึทางที่1ทางที่2คือการที่รู้จักไปลงทุนบ้างรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะปิดกั้นอันตรายด้วยแต่ข้อที่3คือการที่เราต้องมีเพื่อนดีซึ่งบางทีโอกาสหรือว่าช่องทางการตามหากินก็มาจากเพื่อนดีตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนหลายๆกรณีคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็มีตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นเป็นเครือข่ายที่สําคัญ และข้อที่4ี่คือการที่รู้จักการที่จะใช้จ่ายอ ย, อย่างสม่ําเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืด เ, เคืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับเอ น, นี้ก็คือเรื่องของกระแสงเงินเข้ากระแสงเงินออกนั่นเอ ง, งคือเราต้องต้องรูว้ว่าเงินคุณเข้าเท่าไหร่เงินคุณออกเท่าไหร่ถ้าเราบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีอันนี้จะเป็นทางที่ให้ทรัพยบคือน้ําที่เปรียบเสมือนอยู่ในบึงนเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้ พ <Okay. S 2> นะระรูปเจ้ายกตัวอย่างตัวนี้คุณตใจเปรียบเหมือนกับคนที่ถ้าคนที่เขาไม่รู้จักการใช้เงินเนี่ยนะคือถ้าผมว่ารายได้น้อยนะแต่ว่ามีชีวิตการความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเอาแสดงว่าคุณต้องก่อห น, นี้แนะ่ <Okay. S 2> ต้องเอาที่ไหนมาโปะอะต้องที่ไหนมาโปะเช่นก่อห น, นี้หรือว่าเงินต้องรั่วซึมไปในสักที่ใดที่หนึ่งเนะีเพราะนั้นก็ไม่ดีไม่ถูกแล้วนกะ็ะจะเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ใจ่ายอย่างซุริรยุไรเหมือนคนกินผลมะเดือ่อ อันนี่คือเปรียบเทียว่าผลมะเดื่อเนี่ยอมันกินแล้วก็ทิ้งเลยถ้าเราเห็นกระรอกเนี่ยกินเอาผลมะเดื่อมางกินกัดนิดนิดบางก็ทิ้งไปเลยอน <ะ S 2> ในทางตรงทุนค่าถ้าบอกว่ามีรายได้มหาศาลมหาศาลเลยนะมหาศาลนี่คือคือเยอะมากนะแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างแรงแค้นแต่มีชีวิตอยู่อย่างแรงแค้นแ ร, ง แ, นแรงแค้นนี่คือแบบแรงแค้นแบบคนจนไม่มีจะกินอย่างนั้นเลยนะอืแต่ว่ามีรายได้มหาศาลเนี่ยแล้วมีชีวิตอยู่อย่างแรงแค้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกอีก อันนี้ไม่ถูกเพราะว่าก็จะมีคนด่าว่าว่าโอ้จะมีชีวิตยอยู่อย่างไตหัอไตหยักคือคืออันเนี้ยแต่มาต้องการชี้ประเด็นดีว่ามันไม่เหมือนกับคนประหยัดนะคนประหยัดเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีเงินเดินเป็นแสนแสนแต่แต่คุณก็ขับรถโตโยต้าธรรมดาอันนี้คือคนที่ประหยัดแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาแต่ตัวอย่างที่ปบุรุษชาโยกตรงนี้แต่คือคนที่มีรายได้มหาศาลจริงๆมหาศาลจริงจริงนะอาจจะมีเป็นหมื่นล้านแตนะ่แต่ว่า เวลากินข้าวนะคับเอาเข้าวต้มคลุกกับเกลือกินอย่างเงี้ยแหม น, นี่ก็อยู่อย่างแรงแข้นเกินไปนะมีเป็นหมือนล้านนี้ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องแตนะคุณอาจจะกินอาหารข้าวไข่เจียวอย่างงี้ก็ยังได้อยู่าก็เป็นคนประหยัดนีิทําไมจะไม่ถูกก็ได้คนประหยัดอยู่ได้ควรนะจะเป็นด้วยซ้ํานำะเพราะว่าถ้าเรามีการบรหิหารจัดการในข้อที่1ถูกต้องอันนี้ไม่เป็นการดีอันนี้แหละ ค, คือข้อมูลที่เราจะมาได้พูดไปนํามาสรุป คร่าวๆให้ท่านผู้ฟังฟังแต่หนคิดว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันมาหลายปีแล้วดังนะั เ, เอามา <Okay. S 1> ซ้ําพูดในที่นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ทบทวนว่าไอ้เรื่องการใช้ใจ่ายทรับมันก็สําคัญกสาหรับคนที่เป็นคารวะถ้าเรารู้จัก <Okay. S 1> ใช้ใจ่ายอย่างนี้คุณเดินใจแตทรัพนยะ์สินของเราก็จะมีแต่เพิ่มแตนะ <Okay. S 1> ที่หมดไปเนี่ยมันไม่หมดไปหรอกเป็นบุญที่เราเพิ่มขึ้นมาบุญที่เพิ่ม mm hmm. ขึ้นมามันก็จะไปส่งผลให้มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยรานะ okay. สาโจค่ะก็จะเห็นนะครับท่านผู้ฟังขาวว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานนเนี่ยแม้พระองค์จะปรินิพานไปนานแล้วแล้วก็คำสอนของพุทธองค์นั้นเนี่ยก็คือสอนตั้งแต่เมื่อสองพันห0รปีที่ผ่านมาแต่พระพุทธองค์ได้ทรงลงสอนในเรื่องที่ละเอียดมากๆเลยที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตค า, ารวาสของเราเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะก็ถือเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาใน ร่มพระพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคโดมองค์ปัจจุบันซึ่งก็เป็นผู้ห่างไกลจากเกียรตแล้วก็ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะคะซึ่งวันนี้เช้า ว, วันนี้ท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูตรหลวงพี่ปุนโน พระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหสุกก็ได้นํามาสักประชาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เรียกว่าโชคดีแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปฟังที่ท่านไปเทศที่ปตทสพแต่ว่าท่านก็ได้มีตาที่จะนํามาเผยแพร่ในรายการธรรมารัปรุณของเราในเช้าวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคงจะต้องนําท่านผู้ฟังกราบขอพระคุนและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนและพระเดชพระภูหลงพ่อดรสะอาดธิโตภโซ คือท่านพระกูติทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าในวันจันทร์ก็กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุ โ, โนเช่นเดิมในรายการธรรมรับอารุณนี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมรดกราเจ้าค่ะพระเจรย์เจ้าขาเจิพ า, า, านสาธุเจ้าค่ะ